แม้ว่าฉันทะจะขยายไปถึงเมตตากรุณาตัณหาก็ยังตามไปรังควานแต่สำหรับคนจำนวนไม่น้อยจิตมิใคร่จะเดินไปตามกระบวนํารอย่างนี้ถ้าเป็นกรณีของต้นไม้และสิ่งอื่นๆในธรรมชาติก็อาจเป็นไปได้ง่ายสักหน่อยแต่ถ้าเป็นคนด้วยกันมักทําได้ยากตัณหาในรูปใดรูปหนึ่งมักวิ่งเข้ามาขัด หรือครอบงำกุศลจิตนั้นเสียมิทันชา้าเช่นเมื่อเห็นคนแข็งแรงสมบูรณ์รูปร่างสวยงามเจริญตาถ้าเป็นคนต่างเพศแทนที่จะอนุโมทนาตัณหากลับเข้าชักพาให้มองเห็นเป็นแหล่งที่พึงเสพสุขเวทนาถ้าเป็นเพศเดียวกันก็มักให้รู้สึกเป็นเครื่องบีบคั้นกดดันแก่อัตตาทาให้ตนด้อยหรือลดความสาคัญลง โด ย, น, ยนัยนี้แทนที่จะมีจิตใจเปิดกว้างเผื่อแผ่เบิกบานด้วยเมตตาอยากให้เขาอยู่ในภาวะดีงามสุขสมบูรณ์ที่เขาควรจะเป็นของเขาก็กลับเอามาปะทะกระแทกกับตัวตนเลยคับแคบรัดตัวมัวหมองลงด้วยตัณหากลายเป็นสิเนหะหรือราคะบ้างอิจสามัจฉริยะหรือความริษยาและหึงหวงบ้างซึ่งล้วนเป็นอกุศลไม่ดี มีโรคไม่โปรง่งไม่สบายไม่เกื้อกูลทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นหมายเหตุเชิงอัดในสักะปัญหาสูตรที่คณิกายมหาวัคแสดงกระบวนการทำอันหนึ่งว่าฉันทะหมายถึงตัณหาฉันทะคือตัณหานั่นเองเป็นปัจจัยให้เกิดปิยะอปิยะคือการแบ่งแยกเป็นที่รักที่ไม่รัก ปิยะอปิยะเป็นปัจจัยให้เกิดอิดสามัจฉริยะคือความริษยาและหึงหวงในที่นี้แสดงแต่เรื่องดีงามสวยเพราะเกี่ยวกับฉันทะตัณหาและเมตตาถ้าพบสิ่งไม่สวยงามอ่อนแอเป็นทุกข์เดือดร้อนฝ่ายกุศลก็จะเกิดการุณาฝ่ายอากุศลเกิดความดูถูกเหยียดหยามหรือความเกลียดชัง แต่จะไม่บรรยายในตอนนี้เพราะไม่ตรงกับเรื่องที่กําลังพิจารณาความที่กล่าวมานี้ให้กติอย่างหนึ่งว่าหากจะตรวจสอบความรักของตนต่อบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งว่าเป็นเมตตาแท้จริงหรือมีเมตตาอยู่บ้างแต่เจือด้วยตัณหาหรือว่าเป็นเพียงอาการของตัณหาเท่านั้น<ม>ก็พึงถามตนเองว่าถ้าเราไม่อาจหาสุขเวทนาจากตัวเขาได้ และถ้าชีวิตของเขาไม่เป็นเครื่องค้ำจุนความมั่นคงถาวรแห่งตัวตนของเราอีกต่อไปเราจะยังคงรักเขาหรือไม่เราจะยังเห็นชีวิตของเขามีคุณค่าที่พึงใส่ใจทนุถนอมหรือไม่เราจะยังยินดีในความดำรงอยู่ด้วยดีของเขาต่อไปอีกหรือไม่ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกถือกันว่าเป็นตัวอย่างมาตรฐานของเมตตาพ่อแม่รักลูก หวังดีต่อลูกยินดีในความดำรงอยู่เป็นอยู่ด้วยดีของลูกอยากให้ชีวิตของลูกจเจริญงอกงามมีความสุขปราศจากโรคภัยความรักความปรารถนาดีนี้เป็นไปโดยพ่อแม่ไม่ได้หวังที่จะใช้ชีวิตร่างกายของลูกเป็นที่เสพสวยสุขเวทนาและถึงแม้ชีวิตของลูกจะไม่เป็นเงื่อนไขช่วยค้ำจุนความมั่นคงถาวรแห่งตัวตนของพ่อแม่ พ่อแม่ก็ยังคงรักและหวังดีเอาใจใส่ในการที่จะให้ลูกดํารงชีวิตอยู่ด้วยดีข้อนี้นับว่าเป็นคุณธรรมคือเมตตาของพ่อแม่อย่างไรก็ตามในเมื่อพ่อแม่ยังเป็นปุถุชนตันหาก็ย่อมมีโอกาสแทรกซึมเข้ามาเจือปนในความรักของพ่อแม่ได้บ้างไม่อาจให้เป็นเมตตาที่บริสุทธิ์สิ้นเชิงดังจะเห็นได้ในอาการที่ยึดมั่นต่อลูกว่า เป็นเราเป็นของเราพ่อแม่ยังมักหวังอยู่มากบ้างน้อยบ้างที่จะให้ชีวิตของลูกเป็นเครื่องช่วยเสริมความมั่นคงถาวรหรือความยิ่งใหญ่แห่งตัวตนเช่นอยากให้ลูกมีฐานะดีเพื่อตนจะได้ภูมิใจพลอยมีเกียรติหรือกลัวลูกตกต่าเพราะกลัวว่าตนจะเสียหน้าเป็นตน้นภาวะเช่นนี้ ถ้าเป็นไปอย่างเบาบางในขอบเขตแห่งคุณธรรมก็ต้องยอมให้โดยถือเป็นธรรมดาของปุถุชนแต่ถ้าปล่อยให้ขยายตัวครอบงําพฤติกรรมทั่วไปของตนก็สามารถก่อโทษได้มากเหมือนกันอย่างไรก็ตามในแง่ที่เป็นเมตตาจุดสําคัญอยู่ที่ความไม่เป็นเงื่อนไขดังได้กล่าวแล้วกล่าวคือ ถึงแม่ลูกจะไม่สามารถเป็นเครื่องสนับสนุนค้ำจุนความมั่นคงถาวรแห่งตัวตนของพ่อแม่พ่อแม่ก็ยังรักลูกยังปรารถนาความดำรงอยู่ด้วยดีแห่งชีวิตของลูกเมื่อลูกถูกคนต้องปวงทอดทิ้งหมดไม่มีใครต้องการแล้วก็จะมีแต่พ่อแม่ที่ยังคงหวังดีหรือเป็นที่พึ่งพิงดังคาที่ว่าพ่อแม่ตัดลูกไม่ขาด เมื่อเกิดความกระทบกระทั่งระหว่างลูกกับคนอื่นพ่อแม่ยังมักขัดเคืองต่อฝ่ายอื่นมีใจเอ็นเอียงมาทางลูกไม่สามารถตั้งความปรารถนาดีเสมอกันต่อทั้งสองฝ่ายแล้วพิจารณาเรื่องราวด้วยใจเป็นกลางอย่างแท้จริงเพราะความรักนั้นยังบัวพันแทรกเจืออยู่ด้วยตัณหายังเป็นความรักที่สามารถทําให้เกิดการแบ่งแยกเป็นที่รักและที่ไม่รัก จึงยังเป็นความรักที่สามารถก่อปัญหาทำให้เกิดทุกข์ได้ต่อไปความเข้าใจลักษณะทั่วไปของเมตตาช่วยเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับฉันทะด้วยเพราะข้อธรรมทั้งสองนี้เป็นเรื่องของความรักความอยากความต้องการเหมือนกันและเป็นฝ่ายกุศลคือดีงามโปร่งสบายเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจเหมือนกันแต่ข้อสาคัญก็คือฉันทะ เป็นข้อธรรมพื้นฐานที่มีขอบเขตกว้างขวางเกี่ยวข้องและใช้ในเรื่องทั่วไปส่วนเมตตาเป็นข้อธรรมในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับคนและสัตว์หรือเป็นไปในคนและสัตว์ทั้งหลายเรียกตามสัมนวนบาลีว่ามีสัตว์เป็นอารมณ์โดยที่เมตตาและพรหมวิหารอื่นอีกทั้งสามข้อนั้นมีฉันทะเป็นจุดเริ่มเป็นที่ตั้งต้นหรือเป็นตัวเริ่มการ โดยฉันทะในที่นี้หมายเฉพาะกตตุกรรมมยตาฉันทะหมายเหตุเชิงอัตกัตตุกรรมมยตาฉันทะเป็นที่ตั้งต้นของพรหมวิหารธรรมทั้งสี่ข้อท่านกล่าวไว้ในคำพีปรามัตรมัญชุษาซึ่งเป็นคำพีอธิบายวิสุทธิมักว่าแม้แต่อุเบขาก็หาได้เลือร้างจากความต้องการประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย คือหิตะฉันทะไม่เป็นแต่ในกรณีนั้นการไม่ขวนขวายเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมือนดังมานดาวางใจคอยดูเฉยอยู่ในเมื่อบุตรตั้งใจทำกิจของเขาดีอยู่แล้ว